เมือ่อจิตเข้าไปถึงเรื่องของทามันไม่ปล่อยวางละถอนเห็นการพิจรารณานั้นสาคัญยิ่งกว่าการสงบของใจเพราะการสงบของใจมันอยู่เอกเทศอยู่สงบเท่านั้นแต่ถอดถอนออกมายื่นจันหาที่เคยมีอยู่มันกลบกวนอีกแต่การพิจรารณานี้เมื่อมันรู้มันเห็นมันปลอยใจชัดเจน มันปล่อยมันวางวิเรหหน้านั้นไม่มีมาลบวนจิตใจอีกที่ตัดขาดจากสิ่งที่สงสัยในจิตในใจนี่หมายถึงขัน้นวิปัสสนามีสมาธิหนุนหลังแต่เมือ่อพิจารณาไปบางทีมันก็เลยเถิดเลยแดนเห็นว่าสมาธิไม่เป็นของสำคัญนี่คือเรื่องเลยเถิดจนไม่อยากพักพ่อน คิดใจนาอะไรก็เพื่อเินเลื่อยไปผลที่สุดเลยเกิดสงสัยเพราะกำลังสมาธิในเพียงพอเมื่อมันเป็นอย่างนั้นท่านจริงให้สงบจิตอีกเหมือนกันกับมีดผ่าขวานของเราจิดไปใช้เมื่อมันหมดคมไม่ได้รับถึงจะตัดฟัน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 ที่นี้ที่นาจิตใจท้องตัวไม่อย่างนั้นก็จะดยหมินม่นมิธาคำสอนของพุทธเจา้าหรือว่าสมาธิไม่เป็นเรื่องสาคัญความจริงมันสำคัญเยี่งขั้นสมาธิก็เธอาหากเป็นหากเข็นในจิตในใจชัดเจนก็เหนือแล้วเหนือความสุขของโลกเพราะความสงบของจิตความวงรวมของจิตความปราศจาก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 ใบประากาศนีาบัดมาให้หรือไม่มีใครรับรองเราก็รับรองเราเองพอเราเห็นเราเป็นมันถุกมันสบายอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะถุกจะสบายจะส ง, งบยิ่งกว่าจิตของเราที่เห็นถี่เป็นนั้นมันทราบจากการจัดทำของตัวอยากเห็นอยากเป็นอยากอยู่แบบนั้นตลอดระยะเวลาถ้าจิตไม่ถอดไม่ถอ น, ถ อ, นออกมาเมื่ อ, อไร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 ใจไม่ถอดไม่ถอนไม่ยึดไม่ถือไม่มั่นไม่หมายอะไรมันจึงอยู่ได้พวกเราธรรมดาขี่คลุมขี่จิตใจทําไม่อย่างนั้นนานนิดหน่อยจะรู้สึกว่าอ่อนเพลียปวดเจ็บที่นั้นที่นี้นึ่คือจิตยังเกาะเกี่ยวยึดถือในเรื่องของถาดของขันไม่สงบถึงที่ของมันถ้าสงบถึงที่ไม่เป็นอย่างนั้น มันจ่อยวางส่หมดทุกสิ่งทุกอันเรียงแจ่ทราบความเป็นของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จากสติจากปัญญาของตัวในใก่คนอื่นมาบอกให้มันเป็นมันเห็นมันรู้ในการกระทำนี่คือสมาธิผู้ที่เป็นที่เห็นที่รู้ที่มีความสุขความสบาย จิตใจรวมรวมถึงที่เยือกเย็นเห็นอาจเห็นทำสงบไปสถานที่ใดเห็นใครนั้นก็สงบไปหมดเยือกเย็นไปหมดถอดใจว่าคนอื่นสัตว์อื่นหรืออย่างอื่นจเย็นเหมือนเราหน้าตา ย, ยายิ้มแย้มแจ่มใสเพรใจมันเย็นคนอื่นเห็นบางผู้บางคนก็ อาจจะสงสัยทําไมคนคนนี้กิเป็นอย่างนี้ไม่ใช่บ้าบอไปหรือเขาก็อาจจะสงสัยไปเพราะจิตใจของฉันไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนไปเห็นการละการถอนการปล่อยการวางของอารมณ์ชั้นยมันแปลกธรรมดามันอัศจรรย์มันเย็นมันสบายมันสุขยิ่งกว่า สิ่งทั่วไปที่เคยผ่านมาเหตุนั้นถอดถอนออกมาจึงไม่หลงไม่ลืมในสิ่งนั้นนั้นจิตใจของชั้นที่เห็นสิ่เป็นอย่างนั้นจึงยิง้มแย้มแจ่มใสเพราะชั้นเลยเคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมาเห็นมาเป็นขึ้นมันตื่นเต้นเหมือนกันกันกบคนจนแสนจนแล้วไปได้สมบัติมหาศาลมันก็ตื่นเต้น แต่คนที่เคยมีทสมบัตรอยู่แล้วในเป็นอย่างนั้นถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาเราเคยเห็นเคยเป็นแล้วในตืน่นเต้นหรือคือ ง, ง่ายๆอย่างของโลกคนที่ยังไม่เคยเห็นบ้านใหญ่เมืองโตพอเข้าไปก็อยากดูอยากเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตื่นเต้ น, ตนในบ้านช่องเก่าของต่างๆเพราะไม่เคยเห็น ตื่นเต้นเพียก่อนต่เมื่อยู่นานๆเท่าเขาก็ทำธรรมดาคนที่อยู่ในบ้านในเมืองใหญ่ๆไม่เคยไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเขาทานองเดียวกันพอไปเห็นเข่าเห็นต้นไม้ก็ชมว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เห็นก้อนหินหนาผาก็ชมเพราะเขาไม่เคยเห็นตื่นเต้นอยากดูแต่คนที่อยู่ในป่าเขาก็ไม่สนใจอะไรหนักหนามีจิตใจของท่านที่บําเพ็ญภาวนาก็ทํานองเดียวกัน ขันใดที่เรายังไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิต ใ, ในใจเราต้องตื่นเต้นเชียก่อนต่อเมื่อเคยเห็นเคยเป็นอยู่แล้วนั่นก็ค่อยคายไปหายไปความตื่นเต้นของใจแต่ก็มีความส ง, งบมีความสุขเป็นพื้นฐานอยากจะที่นี้พิจารณาอะไรเมือ่อจิตใจมีพื้นฐานของความส ง, งบก็พิจารณาได้ ที่จนแทนที่จะหลงไหล <c oughs> ยึดถือไม่เป็นอย่างนั้นนี่จะเห็นแล้วเข้าใจแล้วละถอนปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้ น, น, นเลื่อยไปมีคือการภาวนาเผื่อละพบชาติไ ล, ล่เลียสตัณหาในใจไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วยึดสิ่งนั้นมันก็ยึดเชื่อก่อน ตอนที่เห็นใหม่ๆเพราะมันยังไม่หายสงสัยท่องใจพอจิตใจเห็นเป็นอย่างนั้นมันกาเกาะเกาอาศัยเกายึดเกาะถือว่ามันดีมันดีเศษเมื่อเคยเห็นเคยเป็นอย่างนั้นแต่บางการบางเวลามันเสื่อมไปแล้วก็เกิดเสียอกเสียใจเมื่อเคยเห็นเคยเป็นอยู่เรื่อยความเจริญความเสื่อมท่องใจเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีการเกิดได้มันก็มีการดับได้ เราจะเสียใจอยากจะให้มันตับมามันก็ไม่ตับมาอีกเพราะเรื่องอ น, นั้นเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วเราจะดีใจแต่ ส, งสิงเหล่านั้นมันก็ไม่ตับมาอีกหน้าที่ของเรามีปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเรื่อยไปให้เห็นให้รู้ตามเป็นจริงของมันพีเจ้านาอยู่อย่างนั้นจนเมื่ อ, อไรความเห็นผิด เหนือโลกเกิดขึ้นแต่สิ่งนี้ไม่มีอะไรที่จะไปทวารพันไม่มีอะไรที่จะเสือมจเจริญอีกเป็นความบริสุทธิ์เป็นธรรมเอกเป็นธรรมที่เยไม่เคยพบเห็นใ่ใ่ความเสื่อมความเจริญของจิตของใจที่เคยเห็นเคยเ็นมาก่อนและทราบ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 เพราะสิ่งนั้นมันเป็นอยู่กับผู้กระทรบำบําเพ็ญผู้เห็นผู้เขาจะพูดเท่าไรมันก็ไม่เข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันนั้นแกก็มาสมมติกันว่านิโรธวิลาคาะวันิพพานนิโรทะต่างๆ น, า น, านั่นนะแต่กับความเป็นจริงก็สิ่งที่เหนือโลกนั่นแหละที่ถิ่นมาสมมติ แต่มันไม่ผิดกับโลกเหมือนพวกเราท่านที่เคยเห็นเคยเป็นกันคือปฏิบัติทราบเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงท่านจริงไม่มีการขี้จะละจะบําเพ็ญอีกเพราะทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีการเสื่อมการเจริญไม่มีการไปการมาการอยู่มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบริสุทธิ์ เป็นที่แล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือที่จะขนออกมันพอเหมาะพอดีอยู่อย่างนั้นถ้าฝูดถึงพอเหมาะพอดีอย่อยางเช่นมุความบริสุทธินั้นจะเห็นการเป็นกันเฉพาะผู้ผผ ป, ฏปฏิบัติจะเข้าใจได้เฉพาะผู้ที่เห็นที่เป็นในใจส่วนคนอื่นจะทาดคิดว่ามันคงเป็นอย่างนั้นมันเป็นคงเป็นอย่างนี้ มันไม่มีวันที่จะเข้าถึงความบริสุทธินั้นนอกจากมันเป็นมันเห็นในตัวของตัวเถานั้นจึงจะทราบได้ว่ามีมีอะไรอีกในการที่เถรละจะบําเพ็ญมีมีอะไรอีกที่จะไปก็พบก่อชาติในนี้อะไรที่จะเสียหายในนี้อะไรที่ยังเหลืออยู่ นิพพานังปรามังศุนย์อย่างคือศูนไปหมดถูกทั้งศูนย์เรื่องความจิดข้ อ, ของเศ้ามองเรื่องความยึดถือไม่ว่าทุขไม่ว่าทุกขละไปหมดเหนือสิ่งเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นจะเป็นด้วยตัวเองนี่คือที่สุดของการปฏิทินปฏิบัติเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็นหมด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 เริ่มจากสมาชิคือความสงบส ง, งัดของใจอะไรมันมาลบลวนจิตใจเราต้องตรวจตาที่เจรินาอย่าให้มันเข้ามาแยกระแซงสติปัญญาของเราจะกำหนดอะไรเถอความส ง, งกกบกำหนดอันนั้นอย่าไปเข้าใจว่าอันอื่นมันจะดีกว่านี้ถ้ามันเอาอันนี้ ใจนิดๆหน่อยก็สงสัยว่าเอาอันนั้นคงใจ ด, โ ด, ดีโดดไปนู้นโดดไปนี้เหมือนลิงเด็กก็ไปถูกกิ่งไม้ผูกเขา้าถว้าลงมันเป็นแบบนั้นต้องตั้งหน้าทํากันจริงจั ง, งหากไม่จริงในสิ่งที่เราจรงใจอันนี้อันใหม่นั่นก็จะเป็นจริงอีกต้องกำหนดเอาจิงเอาจังอย่างนั้นจะกำหนดลม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 จิตมันยากเท่าไรก็ยิ่งหายใจแรงเท่าเท่านั้นนี่คือการฝึกเรื่องของลมกาหนดเรื่องพุทธโธก็เหมือนกันพุทธโธจะอยู่ในจิตจิตจะอยู่ในพุทธโธจนหายเงียบไประลึกนึกไม่ได้นั่นคือความสงบโยงโมงของจิตจริงจังมันไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ข้างนอกนี่คือเรื่องของสมาธิ เมื่มันมีสมาธิเป็นพื้นฐานเราจะคิดอ่านที่นี้พิจารณาเพื่อแกไขตัดสัญญาอารมณ์มันก็พอคิดได้โดยส่วนใหญ่เราลุมหลวงสัญญาอารมณ์ของตัวก่อควรให้เกิดทุกข์แก่ตัวของตัวสึ่งต่างๆเหล่านั้นเขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายเขาเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เราหลง อยากจใจเขาเป็นอย่างนั้นอยากจใจเขาเป็นอย่างนี้ในใจตามใจก็เลยเกิดทุกข์เบื่องมันมีแขน่นี้โลกมนุษย์จิตใจของมนุษย์มันหลงสัญญาอารมณ์ของตัวเองมันสุขมันทุกข์เพราะสัญญาอารมณ์ของตัวเองโดยส่วนใหญ่มันติดในเบื้องอามิ t h มีลานิสมันไม่เคยไปสบพบเห็นแต่มัน เห็นนิรามิตรคือจิตไม่ได้เกี่ยวเกาะพัวพันกับเรื่องนอกแล้วส ง, งบดูเอกเทศของมันเพียงแค่นั้นมันก็มีภัยยานแบบความสุขที่แน่ยนอนจริงจังในสอยู่ในวัตถุเมื่อมันเห็นมันเป็นอย่างนั้นกาแรแสวงหาด้านวัตถุมันก็ค่อยส ง, งบไปหมดไปพราอใจมันเห็นความสุข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 จึงควรคิดวันนี้ไม่เอาจริงเอาจังวันหนะ้าถึงเอาเถอะเอาไหมพอถึงวันหน้ามามันก่อนทะเลสไหลอย่างเดิมนี่คือความไม่จริงใจมันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันฉลาดในอย่างนั้นเราก็ไม่านี้พบชาติมายืบยาวถ้าเราเอาชนะมันได้เราอย่าไปเชื่อกิเลสให้เชื่อธรรมะตั้งหน้าตั้งตาที่นี้พี่เริญนะทำความ สงบห้องใจให้ได้ให้เห็นอย่าไปสงสัยว่าท ร, รมัมรรคผลไม่มีเพราะทมเป็นอาการลิโกไม่มีการไม่มีเวลาที่เดยตัญหายังมีอยู่เรื่องของมรรคผลจึงไม่น่าจะสงสัยควรต่างจิตต่างใจแบบพืชปฏิบัติเก่ความสุขความเจริญ ของตัวคนอื่นเ่ิยเหลือเกืิอหนุนไม่ได้เหมือนกันกับทานอาหารคนอื่นก็ทานแทนเราไม่ได้พระพุทธเจ้าประบอกแล้วอ่ะเพ้ยงแต่ผู้บอกทางให้เท่านั้นการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของพวกเธอจะต้องทําเองไม่ใช่เราแต่ฐาคตจะทําให้พระพุทธเจ้าองค์ยังทรงพระสนอยู่พระองค์ก็บงบอกอย่างนั้น พราองค์เบื่อลไปแล้วก็ไปหาผามสุขทุกของมนุษย์ไปต่วัดปฏิบัติที่ท่านมอบให้เพื่อแก้ไขยี่เียดตัญหาก็ยังมีอยู่เราผูรักสงบรักสุขเราก็ต้องต่างหน้าต่างตาภาวนาประพฤติปฏิบัติไป ต, ต, ตามธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้ ความสุขความสงบของใจนั้นไอ้แก่คนอื่นจะหามาให้เตาผูกบบพุปทปฏิบัติจะพบจะเห็นโดยตัวของตัวเองเมื่อยังไม่พบไม่เห็นก็อย่าไปนอนใจว่าเราอาภัพอับวาสนาเราทำยังไม่ถึงถ้าเราทำถึงแล้วเราจะเห็นเมือ่อคิดอย่างนั้น ความเพียรของจิต้องใจก็จะในข้อถอยจะตั้งหน้าตัางา้งตาปฏิบัติรักษาเรื่อยไปจนเป็นจนเห็นจนรู้ในจิตในใจของตัวโลกนี้เขาจะไม่เสื่อไม่เลื่อมใสว่าผูปฏิบัติมีอาจมีธรรมอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเรารู้เราเราข้าใจโดยการเห็นการเจนของเราแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่จะเสียใจไปตามลมปากของโลกนี่เป็นพยานหลักฐานความมั่นคงของจิตของใจความแนวเนี่ยของจิตของใจเป็นอย่างไรเราทราบจากตัวของเราเองลงมือประพฤติปฏิบัติเตือยไปแก้ไขทับไล่อึ่งความเสื่อเสียของใจตกไปมากน้อยเท่าไรเราก็ทราบจนหมด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 ไม่หมดมันจริงอยากมีการกระทำบาเพ็ญเมื่อไปถึงท่านจริงจังแล้วมันเป็นอย่างนั้นโดยการทุกคนขอเสนทุกคน <c oughs> ที่มีนาที่ปฏิบัติจงนำไปทีนิพพานาฝึกหักปฏิบัติกจายวาจาใจท้องตัวไปในทางศีลสมาธิปัญญาเพื่อ แก่ไขทำลายชี้เลตั้นหาผลที่สุดทุกคนที่ต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติก็จะเห็นจะเป็นจะรู้ด้วยตนเองไม่มีทางสงสัยดังนั้นขอทุกคนจงต่างใจประพฤติปฏิบัติการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรจิเวลากอยุติเพียงแค่นี้นนเอง